แนะนำบทอัลฮะกอบทอัลฮะกอเป็นบทมักกิ亚马ีห้าสิบสองค์การบทเริ่มโดยการกล่าวถึงสภาพอันนาตรวัวของวันเกียร์มาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อวันนั้นรวมทั้งการลงโทษของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่ดื้อดึงและปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์และสภาพอั น, นาตรวัวที่จะเกิดขึ้นขณะที่มีการเป่าสังเป็นครั้งแรกสพรพเพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาล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 ก็ได้มีการสาบานยืนยันถึงความสัจจกดิ์สิทธของทัศน์รูลและสิ่งที่ท่านได้นํามาจากอัลลอฮ์อีกทั้งได้ตอบโต้การกล่าวเท็จของพวกมุชริกีมที่ยังว่าอัลกุรอานนั้นเป็นเลขกลลและคำพยากรณ์หลังจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานอันแน่นอนในความเป็นสศธรรมของอัลกุรอานและการรักษาอามานะของทัศน์รูนอลลลอฮฺวะไลห์วะสลัมในการเผยแพร่บัญญัติศาสนาตามที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่าน บทได้จบลงด้วยการสันเสริญให้เกียรติอัลกุรอานและชี้แจงว่าเป็นความเมตตาแก่บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาและเป็นความเศร้าโศกแก่พวกกุฟาดผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือวันกิยามะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไรและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร พวกสมุตและพวกอาดได้ปฏิเสธวันกิ亚马มมส่วนพวกสมุตได้ถูกทำลายด้วยเสียงกับบะหน้าที่น่ากลัว่มมสรสรอาานหรรย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 ประหนึ่งต้อนอินทรพลำที่ข้างในกลวงล้มระเนระนาดแล้วเจ้าเสียอะไรหลงเหลือบ้างสำหรับพวกเขาฟิร์เอาและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตัฟิกาตได้กระทำความผิด พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อศาสนาทูตของข้าพูทธิบาลของพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างนะัะอินนลมาทั่มนาคุมขจรียเมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของรั ว, ي ى วเพื่อเราจะได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้าและหูที่พร้อมจะรับฟังเพื่อจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำทั้งเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสัง เป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันเขียมาแผ่นดินและเทือเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นถุยผมในวันนั้น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 และมลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและมาลายกาจำนวนแปดท่านจะทูลบัลลังก์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในวันนั้ น, ว, น, น, นวันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่เจ้า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 อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ ว, วจะมีคำบัญชาแก่มาลายกาว่าจงนำเข้าไปแล้วล่ามตรวนเสียมมลลแล้วยนเข้าเข้ากองไฟนรก แล้วล่ามโซ่เขาซึ่งความยาวของมันเจ็ดสิบสองแพ้จริงเขาไม่ได้สรัทธาต่อลอร์ู้ยิ่งใหญ่และเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสนดังนั้นวันนี้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 ข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นแาละา ส, สิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นอินลกรแท้จริงอลัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของาศาสนาทูตผู้สงเกียว า, ว า, วมมาีมิทู และไม่ใช่คำกล่าวของนักกวีส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธาะ่่ลาวกกสนทาันี่พวกเจ้าไขดเกรนมกแหาลและไม่ใช่คำกล่าวของนักกณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าัลใครก่วนัการณ์ส่นน้อาเานันวเจ้าไขขดเป็นการประทานมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากโลโลก ลาเขาโมัดเสกสรรกล่าวคำเพ็้บางคำแก่เราแเราก็จะจับเขาได้ความมั่นคงแล้วเราก็ตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขาามา ม, มมิิินนนนนุุอัฮ ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้มุกและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรงและแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลกุรานนั้นเป็นการเศร้าโศกเสียใจยแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ق ق และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอนบบ ด, ด, ดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งครับผูพ้พิบาลของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่